ม่ต้องหรอกมันไม่ลืมหรอกแต่อย่าเอามาเป็นปัจจุบันนะยิงอดีตที่เจ็บชำ้ำเกลียดใครโกรธใครแค้นใครไม่ชอบใจใครนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดูสิแมมมองหน้าหน่อยทำคอนส่งคอนกว้างคอนมาอะไรเงี้ยทีก็จำนะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นะยิงโดยเฉพาะใครมีอิทธิภาวะมาก โอ้โหเรื่องยุ้มยิ้มนี่ชอบจําพวกเนี่ยตายแล้วก็เกิดเป็นผู้หญิงอีกไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายะเขาหรอกอิทธิภาวะมันสูงอิทธิภาวะมันมากนะจู่จี้จู่จิกจเรื่องเล็กเรื่องน้อยมากแล้วก็ลบกวนใจตัวเองอยู่ตลอดเห็นไหมบางคนเนี่ยจิตใจไม่ค่อยสงบเลยจริงๆเราอยากอยากสบายนะอยากเป็นสุขนะแต่ว่าแต่ละวันตนะั้แต่เช้าจนมาถึงก่อนนอนเนี่ยเอาอละ เดี๋ยวก็คิดไอ้เรื่องอดีตเนี่ยแหละพอคิดอดีตเสร็จนะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างคิดไม่ชอบใจคนนี้เลยคนนี้มาวานด่าเรานะหรือว่าพูดไม่ดีกับเรานะเอาแล้วนะคิดไปแล้วนะคิดไปพอจริงจริงอดีตนะบอกมาวานด่าเรานะอืมด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้พอคิดไปคิดไปนี่มันก็โดดไปละก็โดดไปนาคดีนะ่ยพรุ่งนี้เจอแล้วก็น่าดู <c oughs> นะเดี๋ยวจะต้อง อย่างนั้นอย่างนี้นี่คิดไปอนาคตแล้วนะแล้วคราวนี้พอคิดไปอนาคตนะว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวเหจะต้องด่ากลับอย่างนี้อย่างนี้เตรียมคำพูดไว้เสร็จเลยนะคราวนี้คุณดูนะนี่นี่เป็นอนาคตใช่ไหมคิดไปในอนาคตนะเหตุการณ์ยังไม่เกิดพอพรุ่งนี้พอคุณเจอปับ๊บเป็นยังไงที่คุณเตรียมมาไว้บางทีคุณก็จะด่ายอย่างนั้นเลยเพราะว่าเตรียมไว้แล้วคราวนี้คนนี้เอาอนาคตมาเป็นอะไรล่ะ เอาความคิดเนี่ยจิตจิตที่มันคิดไปในอนาคตเอามาเป็นอะไรละปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันที่เลวเป็นปัจจุบันที่ไม่ดีเป็นอกุศลอ น, นุมาถึงบอกว่าเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยที่ทุกอยู่ทุกวันเนี่ยอดีตอนาคตกระโดดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เอามาเป็นปัจจุบันนะทาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันตัวจริงอะปัจจุบันตัวจริงเราควรที่จะมีความสุขมีความสดชื่นแจ่มใสนะเบิกบาน มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าจะเผลอเผลอใจอยู่เรื่อยพรท่านเคยมีเขียนเอาไว้อะอะไรนะอย่าเผลอใจอย่าห่างใจอะไรเงี้ยอืมวันความจริงของเราเนี่ยมักจะเผล อ, อย่างเงี้ยวันข่าวนี้นะประเด็นสำคัญก็คือถ้าใครมีสติใครรู้ตัวเนี่ยพยายามดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันอดีตที่เจ็บช้ำอดีตที่ไม่เข้าท่า คิดแล้วก็มีแต่อกุศลเกิดขึ้นไม่รู้คุณจะไปคิดมันทำไมอ่ะให้มันทุกข์ให้มันกุ้มให้มันห่วงกังวลให้จิตเราเน่าเราเสียงั้นตัดลอดไปได้เลยให้ให้ทันปัจจุบันนี้ว่าเอ้ยก็ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะที่จริงแล้วนะเราไม่เห็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยถ้าโดนด่าก็เมื่อวานโดนดา่าใช่ไหมวันนี้ยังไม่ทันโดนด่าเลยนี่ใช่ไหมเล่า อแล้วทำไมคุณจะต้องคิดไปก่อนบางคนเนี่ยกลัวบางคนเลยนะกลัวนะว่าเคยเจอคนนี้แล้วก็โหคนนี้นี่ทำหน้าบึง้งทำหน้าตึงใส่อะไรเงี้ยนะพอพวงนี้ใช่ไมกะว่าเดี๋ยวเจอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องทำหน้าบึง้งหน้าตึงใสเราอีกแล้วเราก็เราก็จะกลัวอีกเนี่ยคือคิดไปอย่างเงี้ยเพราะอย่าพลาดตรงนี้อัตมาพยายามวันนั้นก็ พูดกับพยาบาลเ็าให้ฟังเนี่ยหรือญาติธรรมระวังคนเนี่ยตมก็พยายามพูดให้ฟังว่าพยายามเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์อยู่เรื่อยๆเนี่ยอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันย่ำยีเราตลอดเวลาแล้วในที่สุดคนนั้นก็จะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้จริงเพราะเดี๋ยวก็เอาอดีตมาอยู่กับเดี๋ยวเนี้ มาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวก็เอาอนาคตมาเป็นปัจจุบันในที่สุดคนนั้นเลยหาปัจจุบันที่แท้จริงที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขมีความอบอุ่นมีความสบายอกสบายใจไม่ได้แล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยนะใครไปฝึกมันไม่ไม่ใช่ฝึกหรอกแต่ไปเผลอทาจนเคยชินเนี่ยคุณไปเผลอทำรื่อเรื่อยเืเอคุณเคยชินเนี่ย นะกระโดดข้ามปัจจุบันอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตคิดฟุ้งอยู่อย่างนั้น่ะคุณไปฝึกอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆคุณอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยทําไมเขาถึงบอกว่าการฝึกเจโตสมถะหรือทั่วๆไปที่บอกว่าทําสมาธิเนี่ยนะหรือว่าเข้าฌานเอา้า น, นี่แบบทั่วๆไปนะเอเขาบอกโอฌานเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ไม่มันไ ม, ไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตอะไรละอันนี้ฌานแบบลือศีฌานแบบทั่วทไปเนี่ยแค่ทําจิตให้มันดิ่งให้มันสงบอยู่สบายมีความสุขมากเพราะฉะนั้นคนที่บางทีไปฝึกแล้วไปทํานี้ได้มันถึงติดติดใจพอใจมากเลยเพราะนั้นพวกสายลือศีแกะไม่หลุดเลยแกะหลุดยากก็ไม่ต้องไปทําอะไรนี่มันก็นั่งกลึมเมือ่ออยู่กับ ความสุขในปัจจุบันว่างๆโล่งๆสบายๆไม่ต้องคิดไม่ต้องมีอดีตไม่ต้องมีอนาคตอะไรมันก็ปลอดโปร่งมันก็สบายแต่ไม่มีประโยชน์หมายถึงว่าไม่มีประโยชน์กับใครก็อะไรนะแต่ตัวเองเบาขึ้นสบายขึ้ น, นพอนใครเนี่ยฝึกสมาะได้นะก็จะเบาขึ้นก็จะสบายขึ้นในด้านจิตใจของคนนั้นนะแต่ยังไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์ได้จริง น้ำมันเบาขึ้นสบายขึ้นขนาดหนึ่งแหละแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาเจโตสมาธะที่พวกเรามีให้ฝึกให้ฝึกให้นิ่งกันบ้างให้สงบกันบ้างมีแต่โยมผู้เฒ่าสามสี่คนมั้งนะนิ่งได้ <c oughs> นอกด้านหานิ่งยากออพวกเรายังขาดยังขาดตัวนี้เพราะว่า บางทีเราไม่ใช่สายแบบสมถะแบบทั่วๆไปมันก็เลยทำให้อ่อนอ่อนในด้านเจโตสมถะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าพวกเราเข้าใจได้บางทีหาเวลาฝึกบ้างฝึกมันจะช่วยให้เบาขึ้นจริงๆนะแล้วพอคุณสังเกตดูสิพอคุณออกจากไอ้ไอ้อะไรอะสภาวะนั้น น, นนะคุณออกมานะคุณก็ต้องเจอของจริงของปัจจุบันเนี่ย เรามีปัญหาอะไรต่างๆและเดี๋ยวคุณก็คิดอีกคุณก็ฟุ้งอีกที่มาบอกว่ามันไม่จริงก็เพราะว่ามันสงบได้ตอนนั่งกับตอนฝึกแต่พอตอนที่เราผัสสะเราเจอคนจริงๆอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ฝึกสมาธาแบบของพุทธนะคุณมาเจอผัสสะคุณมาเจอของจริงคุณไม่สงบหรอกฤาษีก็วิ่งหนีกลับเข้าป่าเท่านั้นเองเข้าป่าเข้าถ้าเท่านั้นเองเพราะมันไม่มันไม่ใช่ของจริงคือเขาจะสงบได้ต่อเมื่ออย่ามามีผัสสะ แล้วก็สงบได้ซึ่งบอกแล้วว่ามันก็สงบจริงก็มีความสุขได้จริงขนาดหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ความจริงของชีวิตเพราะความจริงของชีวิตมันมีผาษามีพ่อแม่พี่น้องมีการกระทบกระทั่งมีเจอปัญหาชีวิตอะไรต่ออะไรเยอะแยะชีวิตเราเองบ้างชีวิตคนอื่นบ้างโอมเยอะแยะไปหมดนะปัญหาต่างๆอะ่ะาะันจริงๆแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมแบบของพุทธ แบบของที่ผู้เจ้าท่านสอนนะซึ่งถ้าตอนเนี้ยพอเราฝึกเรามีสมถะบ้างใช่ไหมมันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นตัวเกื่อหนุนเราขนาดหนึง่งเพราะว่าบางทีมันมันสู้ไม่ไหวบางคนเห็นนะสายสมถะเนี่ยก็ทํางานทําการอยู่เนี่ยนะพอสู้ไม่ไหวปั๊บเข้าเข้าพบตัวเองเลยนะไม่ยุ่งอะไรกับใครนะใครจะดา่าใครจะอะไรนี่ไม่สนเลยนะ เอาละบางทีเรา ห, หูหลับตาเขาด่าอยู่ก็ไม่รู้ละเสียงก็ผ่านหูไปมันไม่เข้าหูเสียงมันผ่านหูไปไม่สนใจอะไรละเอาจิตตัวเองให้สงบอย่างเดียวเอบางทีมก็ต้องเอาอย่างนั้นเลยแบบแบบสมถะมากๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือคือคื อ, ค, อ, ค, อคือมันตัดลอบออกไปเลยได้ยินเสียงกระสักแต่ว่าได้ยินเสียงไม่สนใจเอเขาก็สงบได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหา ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ทำให้ อ, อ, อุปสรรคหรือว่าปัญหาแรงต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย ม, มันคลี่คลายไปได้จริงแต่อย่างน้อยตัวเองเนี่ยก็เบาขึ้นไม่หนักเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยนะเรานั่งเฉยเฉยไม่ยุ่งกับใครเราก็สบายดอกเบีย้ย ม, ม, มันไม่รอคุณแล้วนะมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันนะดอกเบีย้ยมันก็พอกเพิ่มไปเรื่อย อันนี้ถึงบอกว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาจริงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราหนักจนเกินไปดังนั้นสมถะเนี่ยถ้าเรามีฝึกไปบ้างหาเวลาทำจิตให้สงบซึ่งทั่วๆไปก็อะไรอะ่ะนั่งนะใช้วิธีนั่งหรือไม่ก็เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเวลาฝึกบ้างเพื่อที่จะให้มันสงบได้ แล้วพอมันพอมีเรี่ยวแรงมีกําลังขึ้นมาขนาดหนึ่งอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นทุนน้อยบ้างคราวนี้ยิ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยฟังพ่อท่านเทศฟังธรรมะต่างๆอะไรแล้วเรายิ่งเอามาประดับความรู้เราแลนะเรามีเวลาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ยจะช่วยคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาและเพิ่มเพิ่มทางภูมิปัญญาเราแล้วคราวนี้พอปัญญาเรายิ่งรู้มากขึ้น ชัดเจนรู้แจ้งมากขึ้นคราวนี้ปัญญาตัวนี้แหละนะที่มันแยกแยะมันพิจารณาเหตุผลมันเข้าใจสัจจะเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยคราวนี้แหละมันจะมาล้างล้างไออุปสรรคปัญหาที่เราเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหนีไม่ต้องหลบเข้าพบตัวเองเ อ, อ่มันสามารถที่จะพูดง่ายว่าลืมตาโพงๆทางานอยู่กับเขานี่เราก็สามารถทําได้เขาด่าอยู่อย่างนี้เราก็เออฟังเขาได้นะไม่ไปเกิด ตัวโกรธตัวเกลียตัวชังตัวที่จะถือสาหาความอะไรเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องฝึกเอาทั้งนั้นไม่มีใครได้มาฟรีๆต้องฝึกเอาใครยิ่งฝึกมากยิ่งชํานาญมากและจะยิ่งเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่สงบได้มากขึ้นเอ่แล้วก็ไม่เพียงแต่ช่วยตัวเองเท่านั้นนะมันทําให้คนรอบข้างคนใกล้ชิดคนที่ทํางานด้วยทําให้ ช่วยคนอื่นเขาด้วยทําให้เขาก็พลเออสบายขึ้นเพราะบางทีเขาแรงมาเงี้ยแต่เราสงบได้เรานิ่งได้ อ, อ่ะอ่าเราก็แก้แก้ไขได้อย่างน้อยก็ไม่ไปทะเลาะกันไม่ไปเถียงกันไม่ไปด่าอะไรกันช่วยได้เยอะเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็บอกแล้วช่วยตัวเองได้มากที่สุดเราก็จะทําให้พ้นทุกไปเยอะเลยคุณอย่านึกว่า ปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยอุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันจะหมดไม่มีหมดหรอกต่อให้เป็นผู้พระเจ้าก็ยังต้องมีอุปสรรคต้องมีปัญหาเข้าไปหาท่านแน่นอนแต่ท่านไม่มีปัญหาเอาเพราะว่าเนี่ยจิตท่านไม่มีปัญหาเพราะเราเราก็ต้องฝึกให้มันได้อย่างนั้ น, น, นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดเจนแล้วเราเองเนี่ยคอยมันตัวจิตเรา นะคราวนี้พูดแบบแบบอาสายพุทธะแล้วนะนะเราทํางานทําการคอยจับอารมณ์จิตเราให้ดีสิตอนนี้มันอารมณ์อะไรละ่ะบางคนเนี่ยขนาดทํางานทํางานอยู่เสียงลอดมาตามสายเนี่ยตามลําโพงตามอะไรนะทําไปทำไ ป, ำไปฟังไ ป, ฟ, งไปฟังมามือมือมือก็ทํางานของตัวเองเนะฟังไปฟังมาแล้วก็อารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีบางที อยากจะปิดลําโพงทิ้งซะเออจับอารมณ์ตัวเองให้ให้ให้ทันจับให้ทันพอจับให้ทันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปปิดลําโพอง อ, อ่ะแต่ดูสิว่าเออเราจะสะกดใจเราหรือเราจะปิดอารมณ์เราเนี่ยไม่ให้มันฟุ้งไปได้ยังไงให้อารมณ์เราเนี่ยมันสงบลงมาแล้วก็นิ่งลงมาซึ่งอันนี้เนี่ยไม่สามารถอะไรอ่ะพูดพูด พูดอธิบายยังไงละเพราะมันอยู่ที่คนนั้นต้องจับอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็หัดหัดบังคับมันทำให้มันนิ่งลงไปทาให้มันสงบลงไปได้ด้วยตัวเองแล้วคนนั้นก็จะเบาสบายด้วยตัวเองคราวนี้นะต่อให้ฟ้าถลม่มต่อให้ดินถลายต่อให้ใกล้จะตายไม่หวั่นไหวหรอกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะไรนะ ภูเขาหรือว่าแท่งศิลาหนาทึบไม่สั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดอะไรเงี้ยนะคนเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะคําดินทาหรือว่าสารลเสริญฉันนั้นเหมือนกันอย่าอย่าคิดแต่ว่าด่าแล้วก็ทนได้นะเอาบางทีสารลเสรนนี่ทนไม่ได้ <laughs> สารลเสริญทนไม่ได้นะมันมีทั้งสองมุมซึ่งซึ่งอันนี้รายละเอียดเยอะละ เพราะบางคนไม่หวั่นไหวโดนด่าไม่หวั่นไหวสงบจิตสงบใจไดไ้แต่โดนชมชักลอยละชักลอยชักชักไม่หนักละคราวนี้ชักเบาและชักจะลอยละอันนั้นอันนั้นยังถือว่าหวั่นไหวเหมือนกันนะแล้วก็หวั่นไหวแบบนั้นน่ะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเหมือนกันเพราะอารมณ์ที่มันหวั่นไหวเนี่ยมันก็จะปรุงฟุ้ ง, งนะจะเริม่มันเริ่มจะปรุงฟุ้งอีกละอ้าวฟุ้งพอเขายกย่องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่า โอ้โหเดี๋ยวอีกหน่อยเราคงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะไปตามที่เขายกย่องเขาสารรเสริญ น, นั่นแหละเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเพราะบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกอะเผลอๆคนนี้ชมคนโน้นด่าเอา้าเราไม่ทันตั้งตัวนะเราคิดว่าคนนี้ชมเนี่ยคนอื่นๆเขาก็าคงพอจะเห็นดีๆอะไรของเราไปด้วยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเกิดไปเจอ คนติคนดา่าคนว่าคนอะไรเข้าทันทีแล้วนะเหี่ยวเลยเพราะว่าจิตมันมันมันมันไปในอนาคตแล้วมันก็ไปยึดแล้วว่าตัวเองเนี่ยนะไปอยู่กับใครหรือว่าอะไรใครมันก็มันก็เป็นคนดีอะนะก็น่าที่จะได้คำยกย่องคำสรรเส ร, ริญหรือว่าเขาก็ชมชื่นอย่างเงี้ยแต่พอปรากฏว่าคุณไปอยู่กับใครเขาโอ้โห เขาติเขาว่าเอาเข้แล้วงอยเลยทันทีเลยคุณจะเหี่ยวใจซึ่งสิ่งเราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องวัดวันเนี้เนี่ ย, ยฝึกไว้ดีพอไหมหนักแน่นพอไหมมั่นคงพอไหมวันถ้าจิตใครเนี่ยหนักแน่นมั่นคงพอคอยรู้ตัวอยู่เรื่อยแล้วก็ฝึกฝึกดูจิต ด, ดูใจอย่าให้อารมณ์พุ่งผ่านยิ่งโดยเฉพาะโทสะโทสะที่เป็นตัวร้ายเป็นตัวทําลายนะ อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดชังอะไรพวกนี้นี่นสายโทราสต์ทั้งนั้นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดชังพวกนี้รุนแรงนะจะมันมันมันจะถ้ามันขึ้นมามันคุมไม่อยู่มันจะทำร้ายคนอื่นเขาไม่ทําร้ายคนก็ทําลายข้าวของอืห ม, มาเดินผ่านบางทียังเจ็บตัวได้เลยหมานะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งถ้าใครรู้ตัวว่าเออเราสายโทรศาสร์แล้วยิ่งต้องฝึกให้มาก นะเรื่องเรื่องอันนี้พอพอพอพอกับสายกา ร, รหาเจอไอ้นอนเจอไอ้นี่ก็โห่ก็ดีก็ะดาษนะรักสวยรักงามอย่างงั้นอย่างนี้ไม่สมใจก็อะไรอะอกหกักอกพังเศร้าโศกเสียใจนี่ น, นสายการนี่นี่เป็นสายกามอย่างเงี้ยจิตก็แปรปวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นจะไม่มีวันเป็นคนที่ มีความสุขที่แท้จริงนะจะสุขแบบโลกโลกก็แอได้สมใจก็มีความสุขพอผิดหวังก็เศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไม่สามารถที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแม้พอหนักแน่นมั่นคงก็เลยเ อ, อพูดอย่างนี้นี่ด้านหรือเปล่า เจออะไรอะไรก็เชยหรือเปล่าไม่ใช่อะนะมันรู้นะมันรู้สึกนะดีก็รู้ชั่วก็รู้อารมณ์เย็นก็รู้อารมณ์ร้อนก็รู้คุณตราบใดคุณยังไม่หมดกิเลสมันมีแน่นอนอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราหนักแน่นขึ้นไงเรามั่นคงขึ้นเราไม่ไม่สั่นคลอนง่ายเราะันพอมันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บ มันจะมีสติเนี่ยแหละไวแล้วสติเนี่ยจะรีบดึงดึงกลับมาไม่อย่งางงั้นบคุณเห็นไหมบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรเข้าบางทียืนเซอ่อเลยไม่รู้จะทําอะไรยังไงเลยนะเออเพราะมันมันมันมั น, มนหายหมดเลยขาดสติไปเลยไม่ไม่ใช่สลบนะแต่มันเหมือนคนยืนงงไม่รู้จะทาอะไรยังไงเลยแล้วก็ไม่ใช่จิตว่างด้วยนะยืนแบบจิตว่างก็ไม่ใช่ <laughs> เพราะันนั้นไม่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ได้เออันนี้มันมีสติดีเลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ตัวได้ไวแล้วก็แก้ไขอะไรต่ออะไรได้ไวนะเจอไฟไหม้ก็คงอมไม่ใช่ไฟไหม้ไฟไหม้ก็แบกตุ่มน้ําวิ่งหนีแล้วเ <c oughs> ออ ม, มันก็จะรู้ว่าอะไรควรที่จะรีบแก้อะไรที่อะไรก่อนอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นี่ พูดเข้าๆให้ฟังนะจากที่เอได้ฟังพ่อท่านเทศด้วยอะไรด้วยนะซึ่งซึ่งอาตมาพูดอีกอีกแบบหนึ่งนะอีกอย่างนึ่งพ่อท่านก็พูดแบบละเอียดพูดแบบถุงสูงอาตมาก็พูดแบบง่ายๆอะแหละพูดแบบคนทั่วๆไปที่ที่อะไรอ่ะที่จะเจออยู่ในชีวิตปกติเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาตมามักจะพูดอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆคิดว่า ก็น่าจะได้แง่คิดบ้างนะนะแล้วมันจะได้คอยเตือนตัวเองคุณมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยดีใจเกินไปหรือว่าเศร้าโศกอะไรเกินไปโกรธแค้นอะไรเกินไปมีสติขึ้นมาเมื่อ ไ, ไหร่โอ้โหรีบเลยรีบหยุดอย่าให้อารมณ์อย่างนั้นมันมันพุ่งพ่านต่อไปรีบทำให้มันสงบให้ได้ก่อนสงบโดยที่บอกแล้วอ ย, อย่าอย่าเพิ่งรีบไปปรุงฟุ้งถึงเรื่องนั้น นะ <N ous> ให้เราเนี่ยใช้ใช้เหมือนเหมือน ส, สมถะเนี่ยถ้าใครสายสมถะนะก็ใช้แบบสมถะเนี่ยเข้ามาเลยจะใช้แบบทําจิตว่างๆก่อนก็ได้ก็รีบใช้ก่อนให้ให้มันนิ่งให้ได้ให้มันสงบให้ได้ส่วนใครถ้าเป็นสายแบบสายปัญญาที่ฝึกมาในทางแบบแบบของพุทธนะเอมีบททำบทไหนหรือว่าอะไรเนี่ยพอมีสติปั๊บรีบยกมาเลย โกโททุมเมทะโกจโรคนโกรธคือคนปัญญาซามอะไรเงี้ยนะยกมาแล้วโอ้โหเราอย่ากโกรธเลยเพราะโกรธแล้วปัญญามันสามปัญญามันแย่ปัญญามันเสียหมดอะไรเงี้ยอันนี้นีสายปัญญาก็จะรีบยกอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะมาดับมาแก้กตัวพุ่งพ่านตัวที่มันกำลังจะขึ้นไป หวือหวาไปเล่นงานอะไรใครต่อใครเขาเนี่ยให้มันสงบลงเหมือนเอาน้ำเนี่ยมาพรมมาดับไฟให้มันไฟมันมอดไหม้ไปให้มันดับไปนั่นแหละนะวันนี้ก็เอา้าฝากนะคิดว่าถ้าใครเอาไปลองลองไปฝึกลองไปใช้ดูถ้าใครไปพยายามฝึกพยายามใช้แล้วจะเป็นคนที่พบความสุขในชีวิตได้มากขึ้น บอกแล้วนะปัญหาในโลกนี้ไม่มีวันหมดจนกระทั่งอาตมาเคยจำได้จำได้มาจนกระทั่งรู้สึกชอบมากเลยคำพูดนี้ไม่รู้ของใครนะเอาเขียนสติกเกอร์ไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเกิดมาก็เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตนี่แหละไม่มีอะไรอื่นปัญหามันมีตลอดไม่ปัญหาเรากับปัญหาคนอื่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมาย วันแต่ใครเนี่ยพยายามฝึกสติแล้วก็รู้ตัวแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึก บ, บ่อยๆนะมันจะทําให้คนนั้นเนี่ยโอ้เบาขึ้นเยอะเลยสบายแล้วมันก็ให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นเพราะเราก็ไม่ไม่ไปยึดแต่อดีตเอามาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นนะไม่ถือสาคนง่ายจิตใจมันจะสะอาดมันจะเบาแล้วมันก็จะป่องใสามากขึ้นแล้วก็จะทาให้เป็นคนที่มีความสุขในชีวิต แล้วก็มีอารมณ์เย็นอารมณ์ดีขึ้นมากกว่าเดิมอ้าวันนี้คงพอท่านี้นะ